ประตรปิดกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสีพระสูตรที่หกอาเนชชาส ป, ปายสูตรสูตรว่าด้วยปฏิปทาเป็นที่สบายแก่อาเนชชาทำว่าอาเนชะนี้จะได้แก่อะไรเป็นปัญหาสำคัญยิ่งทางวิชาการในสุนัขขตสูตรที่ห้าแสดงว่าฌานหรือสมาบัตหกเป็นอาเนนชะคือรูปฌานสี่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 อยู่ด้วยจิตอันเป็นมหคตะคือเป็นฌานเมื่อตายไปก็มีฐานะที่วิญญาณพึงเข้าถึงอเนเชะหมายถึงความเป็นสภาพที่ไม่วันไหวนี้จัดเป็นข้อปฏิบัติที่หนึ่งอันเป็นที่สบายหรือเข้ากันได้กับอเนญชะทรงแสดงข้อปฏิบัติที่สองอันเป็นที่สบายแก่อเนเชะเช่นข้อแรก